เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบูชาสัตว์อุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่าธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นวันพระวันธรรมศนะวันปฏิบัติหน้าที่ ของพุทธศาสนิาชนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้ปฏิบัติเพื่อเป็นการจำละกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความสะอาดบริสุทธิ์ของกายวาจาใจนำความสุขมาให้ ถ้ากายวาจาใจไม่สะอาเดเปื้อนด้วยอกุศลทั้งหลายกายวาจาใจก็จะไม่สบายจะเศร้าหมองจะวุ่นวายจะเดือร้อนถึงแม้ว่าจะได้เงินได้ทอง ม, มาเป็นร้อยล้านพันล้านจะได้ตำแหน่ง เป็นนายกรัฐมนตรีจะได้รังวี่รางวัลต่างๆจะได้เสฟการในรูปแบบต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะชำระความเศร้าหมองความมัวหมองของจิตใจได้ ต้องอาศัยการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถกําจัดอกุศลที่เป็นเหตุของความเศร้าหมอ ง, องของความทุกข์ของความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสบายใจอย่าไป หาเงินหาทองมากจนเกินไปอย่าไปหาตำแหน่งหารางวัลอะไรต่างๆมากจนเกินไปทำพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำพออยู่ได้ไม่อดตายก็พอแล้วพอของเหล่านี้ไม่สามารถที่จะให้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าความสุขทางร่างกายนี้ เปรียบเทียบกับน้ำในตุ่มก็เหมือนตุ่มเล็กๆใบหนึ่งเท่านั้นเองพอเราเติมมันเต็มแล้วเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่มันก็จะล้นมันจะไม่มีปริมาณมากไปกว่านั้นแต่ความสุขทางใจนี้เป็นเหมือนสระน้ำเป็นเหมือนบ่อน้ำเราสามารถเติมเข้าไปได้อย่างเต็มที่ ติมแล้วยิ่งเติมได้เท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นวิธีเติมน้าบ่อเล็กก็คือทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอมีรายได้มาจุนเจือไม่เดือดร้อนกับเรื่องของปัจจัยสี่คือมีปัจจัยสี่พอเพียงเท่านี้ก็ถือว่าตุ่มน้า ใบเล็กนี้เต็มแล้วแต่ให้มีบ้านราคาร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่ได้ทำให้น้ำในตุ่มคือความสุขในตุ่มเล็กนี้เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดอยู่บ้านร้อยล้านพันล้านกับอยู่กับเช่าบ้านก็อยู่เดือนละสองสามพันมันก็ทำหน้าที่ได้เท่าเทียมกันก็คือเป็นที่หลบแดบดบหลบฝน หลบภัยต่างๆได้เหมือนกันดังนั้นอย่าไปหลงกับการหาปัจจัยสี่ที่พิสดารที่ยิ่งใหญ่ที่หรูหราเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ความสุขทางร่างกายมีเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดเท่ากันคนอยู่กระต๊อบกับคนอยู่ในวัง ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันคนกินอาหารข้างถนนกับคนกินอาหารในพัฒนาการหรูหรา mm. ก็อิ่มเหมือนกันเวลาถ่ายก็เป็นอุจจาระเหมือนกันเวลาถ่ายก็ไม่มีใครอยากจะได้เหมือนกันแต่ทาไมต้องเสียเงินมากมายกายกอง mm. เพื่อจะไปซื้ออุจจาระที่เราไม่ปรารถนากันทําไมซื้อของถู ก, ถก อุจจระถูกดีกว่าอุจจระแพงพวกเรานี่ถูกความหลงคือกิเลสตัณหามาหลอกให้เราเหนื่อยยากกันไปเปล่าๆด้วยการเสียเงินเสียทองซื้ออาหารที่มีราคาแพงๆมารับประทานรับประทานแล้วมันมันทให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่ามันก็แก่เจ็บตายเหมือนกัน กินอาหารข้างถนนมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนั้นอย่าไปหลงไหลกับการหาของฟุ่มเฟือยของหรูหราของวิจิตพิสดารของที่มีราคาแพงๆมาสวยมามาเสพเพราะผลมันไม่ต่างกันเหนื่อยไ ป, ปเปล่าๆ เหนื่อยกับการดิ้นรนต่อสู้หาเงินหาทองเหนื่อยกับการไปสร้างเวรสร้างกรรมเวลาสร้างเวรสร้างกรรมก็ไม่กลัวกันแต่มากลัวเจ้ากรรมในเวรกันทีหลังก็เจ้ากรรมในเวรมันเกิดจากใครมันก็เกิดจากการสร้างเวรสร้างกรรมของเรานั่นแหละทำบาปแล้วเป็นยังไงกลัวผลบาปจะตามมา มาทำบุญสะเดาะเคาะกันวุนไปหมดสะเดาะยังไงก็สะเดาะไม่ได้เพราะบาปนี่ชำระไม่ได้ล้างไม่ได้ทำแล้วมันต้องส่งผลเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วสิ่งที่เราทำได้ก็คือซื้อเกราะคุ้มกันมาเช่นะรเรากลัวถูกเขายิงด้วยกระสุนปืนเราก็ซื้อเกราะมาใส่ พอเขายิงมันก็จะไม่เข้าไปในร่างกายบุญนี่แหละคือเกราะที่จะป้องกันไม่ให้วิบากกรรมทั้งหลายเข้าไปให้จิตใจต้องสันส่นสะเทือนถ้าไม่ทำบุญเวลาเกิดวิบากกรรมนี่มันจะทุกข์จะร้อนจะทรมานมากแต่ถ้ามีบุญได้ทำบุญไว้ บุญนี้แหละจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้วิบากกรรมเข้าไปในใจแต่มันต้องเกิดห้ามมันไม่ได้แต่มันจะไม่เข้าไปในใจมันจะไปที่ร่างกายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเท่านั้นเช่นถูกเข้าลิฟทรัพถูกเข้าจับไปขังคุกขังตารางอันนี้เขาทำได้ที่ร่างกายหรือ จับร่างกายไปทรมานไปฆ่ามันก็ไปแค่ที่ร่างกายเท่านั้นผู้ที่มีบุตรนี้ใจจะไม่เดือดร้อนเช่นใจของพาอาระอรหันต์เช่นพระมคขลานะท่านเป็นพาาระอรหันต์แต่ท่านเคยสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้พอถึงเวลาเจ้ากรรมนายเวรจะมาทวงหนี้ ท่านก็ไม่หนีท่านไม่กลัวทั้งๆ ท, ที่ท่านหนีได้ท่านมีอิทธิฤทธิ์ที่สามารถที่จะล่องหนหายตัวทำให้ผู้ที่มาตามฆ่าท่านนั้นไม่สามารถมองเห็นท่านได้แต่ท่านบอกว่าหนียังไงก็หนีไม่พ้นไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องตามมาอยู่ดีหนีไปวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะตามมา ตามใดที่เขายังไม่ได้กระทําในสิ่งที่เขาอยากกระทําเขาก็จะพยายามติดตามหาตัวเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าเขาได้กระทําแล้วเขาก็จะยุติ<ๆ>เขาก็จะไม่มายุ่งกับเราอีกพ<ๆ>ระมุคคาลาบอกว่า<ๆ>เกิดมาแล้วต้องตาย<ๆ>เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายด้วยวิบากกรรม<ๆ>ก็ปล่อยให้มันตายไป มันจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปแต่ใจของท่านไม่เดือดร้อนเพราะใจของท่านมีเกราะคุ้มกันนั่นเองเหมือนกับที่เวลาเราใส่เสื้อเกราะแล้วไปให้เขายิงเราไม่เดือดร้อนยิงก็ยิงไปยิงก็ยิงไม่เข้านี่แหละคือบุญทาหน้าที่ได้เพียงเท่านี้แต่จะมาห้ามไม่ให้บาปคือวิบากกรรมของบาป ปรากฏขึ้นมานี้มันห้ามไม่ได้มันผิดกติกามันผิดกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้แสดงไว้แล้วว่าทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชัว่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดังนั้นเราถ้าไม่อยากจะให้มีวิบากกรรมเกิดขึ้นมาเราก็ต้องกลัวบาปอย่าไปกลัววิบาก กลัวผิดที่ต้องกลัวการกระทำบาปก็คือต้องมีฮิริโอต ป, ปะิริก็คือความอายคนทาบาปนี้เป็นคนน่าเกลียดเป็นคนไม่น่ารักเป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีเสื้อผ้าสวนใส่เวลาเราไม่มีเสื้อผ้าสวนใส่เรากล้าออกไปนอกบ้านนะนั่นแหละ เวลาเราทำบาปก็เหมือนกับเราไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์เพราะศีลนี่แหละคือเสื้อผ้าอาภรณ์ของเราเวลาเราทำบาปก็เท่ากับเราไม่ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์เวลาเราออกนอกบ้านเราจะไม่กล้าออกไปเวลาเราทำบาปนี้เราจะไม่ค่อยกล้าออมองหน้าใครดูตาใครกลัวเขาจะรู้กลัวเขาจะเห็น ว่าเราทำบาสนี่คือฮิริควรจะมีความอายควรจะมีอดตาปะคือความกลัวบาศอย่าไปกลัวผลของบาปที่เกิดขึ้นเพราะว่าผลมันจะไม่เกิดถ้าเรามีความกลัวบาศเราจะไม่กล้าทำบาศแต่ถ้าเรากล้าทำบาศ เราจะกลัวผลที่จะตามมาดังนั้นต้องสลับกันต้องกลัวการกระทําบาปกล้ากับการรับผลของบาปที่จะเกิดขึ้นแต่บาปมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีการกระทําบาปเจ้ากรรมนายเวรจะไม่มีถ้าเราไม่เป็นผู้สร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะ อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่หวาดวิตกกับวิบากกรรมต่างๆก็ต้องอย่าไปทำบาปทำกรรมต้องมีฮีริมีความอายทุกครั้งที่เราทำบาปนี่ขอให้คิดว่าเหมือนกับเร า, เาสร้างตำหนิให้กับตัวเราเหมือนกับทำ สิวฝ้าให้เกิดขึ้นบนใบ ห, หน้าเราเว uh, ลาเราขโมย <c oughs> ก็เหมือนกับมีสิวมีฝ้าปรากฏขึ้นมาที่หน้าของเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่กล้าทำบาปกันจะกลัวบาปเมื่อเราไม่กล้าทาบาป ก, กลัวบาปเราก็ไม่ต้องมากลัวกับวิบากไม่ต้องกลัวกับเจ้ากรรมนายเวรเพราะเรารู้ว่า เราไม่ได้สร้างเราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรนั่นเองดังนั้นต้องขอให้เราระมัดระวังเวลาเราจะทําอะไรเวลาเราจะพูดอะไรพิจารณาดูให้ดีก่อนว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเป็นกุศลก็ทําไปเลยเช่นวันนี้จะมาทําบุญนี้เรียกว่าเป็นกุศลทําไปเลย เวลาวันนี้อยากจะรักษาศีลห้าอยากจะรักษาศีลแปบดบทำไปเลยเพราะนี่เป็นกุศลแต่ถ้าวันนี้คิดจะไปทําบาปก็ต้องหยุดนลยอย่าไปสร้างบาปสร้างอากุศลเช่นไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดปดเท็จ ไปพูดเพ้อเจ้อไปพูดคำหยาบไปพูดส่อเสียดคำว่าส่อเสียนี้แปลว่าพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกเกิดความแตกความสามคัคคีเช่นสามีเขาดีกันอยู่ก็ไปพูดยุยงให้เขาแตกแยกกันอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะไปทำบาปไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ถึงแม้จะเป็นความจริงก็ต้องไม่พูดเช่นเราไปเห็นสามีของเพื่อนเราไปแอบมีกิ๊กที่ไหนไปมีบ้านน้อยไม่ต้องมารายงานให้เพื่อนเราทราบปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาเรื่องของผัวของเมียบุคคลที่สามไม่ควรไปยุ่ง เวลาเข้าเราไปพูดแล้วทําให้เขาโก o i กันเกลียดกันแล้ววันหลังเข้ามาดีกันเขาก็จะมองว่าเรานี่แหละเป็นตัวไม่ดีมาทําให้เกิดความแตกแยกดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงถ้าพูดไปแล้วมันเกิดโทษกับผู้อื่นก็ดีหรือกับตัวเราก็ดีก็อย่าไปพูด ปิดปากไว้เฉยๆการไม่พูดนี้ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดใครเขาถามอะไรถ้าเรารู้ว่าพูดไปแล้วเกิดโทษก็อย่าพูดเท่านั้นเองถ้าเราไม่พูดสัอย่างเขาจะมาบังคับให้เราพูดได้อย่างไรถ้าเขาจะโกรธจะเกลียดเราก็ให้ถือว่าเขาไม่ใช่เพื่อนแท้ถ้าเพื่อนแท้แล้วต้องเข้าใจต้องยอมรับการกระทําของเรา เพราะการกระทาของเราไม่ได้ทำให้ใครเกิดความเสียหายขึ้นมาขอให้คิดหรือว่าให้คิดอย่างนี้ว่าการรักษาศีลได้นี้มีคุณค่ากว่าการเสียเพื่อนไปเพื่อนนี้หาใหม่ได้มีคนในโลกนี้เป็นเป็นล้านเสียเพื่อนคนนี้ไปไม่เป็นปัญหาอะไร อาจจะถึงเวลาจะได้รู้ธาดแท้กันจะได้รู้ใจกันว่ารักกันจริงหรือเปล่าหรือรักกันเพื่อผลประโยชน์ถ้าเขาไม่ได้รับผลประโยชน์จากเราเขาจะไม่คบค้าสมาคมกับเราก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเพื่อนแท้เรียกว่าเป็นเพื่อนจริงเพื่อนจริง น, นี้หาหาง่ายเพื่อนตายนี้หายา งั้นถ้าเขาไม่อยากจะคบค้าสมาคมเพราะเราไม่สามารถตอบคาถามหรือพูดในสิ่งที่เขาอยากจะฟังได้แล้วไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราก็ไม่เป็นไรเรารักษาศีลไอยดีกว่าเพราะศีล น, นี้จะเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายนั่นเองสี่เลนะสุกติงยันติศีลเป็น เหตุที่ทำให้ไปเกิดในสุขติคือไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าทำบาปแม้แต่บาปเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเหตุที่ทำให้ไปเกิดในอบายได้ดังนั้นเสียเพื่อนดีกว่าเสียสุขติเสียสวรรค์เสียความเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ได้ทำบา ถึงแม้เราไม่ได้ทำบุญเวลาตายไปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเราทำบาปเราต้องไปใช้บาปในอบายก่อนตอนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ดังนั้นเวลาเราทำอะไรพูดอะไรขอให้เราระมัดระวังไว้เพราะว่ามันจะทำให้ใจเราเศร้าหมอง เวลาทำผิดแล้วใจจะไม่สบายไม่เชื่อลองไปโกหกแฟนดูไปโกหกแฟนดูไปลักของของผู้อื่นดูไปฆ่าผู้อื่นดูดูว่าใจจะสบายหรือไม่ใจจะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาหรือไม่จะมีความหวาดระแวงวิตกกังวลหรือไม่ เนี่ยผลเหล่านี้มันเกิดจากการทําบาปของเรามันไม่ได้เกิดจากใครเลยอบายนี้ก็ไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากพวกเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาถ้าเราไม่ทําเราไม่สร้างมันอบายมันก็จะไม่มีเหมือนกับบ้านที่เราอยู่นี้ถ้าเราไม่สร้างมันจะมีบ้านขึ้นมาได้หรือไม่ เราเป็นคนสร้างบ้านแล้วเราก็เป็นคนอยู่ในบ้านนั้นฉันใดเราทำบาปถ้าเท่ากับเราสร้างอบายพอสร้างอบายแล้วแล้วใครเป็นคนอยู่เรานั่นแหละก็ต้องเป็นคนอยู่ในอบายนั้นถ้าเราสร้างสวรรค์เราก็จะเป็นคนอยู่ในสวรรค์คนอื่นมาอยู่ในบ้านของเราไม่ได้เวลาเราสร้างบ้านเสร็จเรายกให้คนอื่นหรือเปล่า คนอื่นเขาเข้ามาอยู่ในบ้านของเราหรือเปล่าไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเพราะมันเป็นบ้านของเราทันใดาการกระทําของเราก็เป็นการสร้างเรูสร้างสวรรค์สร้างนิพพานขึ้นมาสร้างเสร็จแล้วใครเป็นคนอยู่ก็คนสร้างนั่นแหละเป็นคนอยู่เช่นพระพุทธเจ้าท่านก็สร้างนิพพานขึ้นมา สร้างเสร็จแล้วท่านให้คนอื่นเข้าไปอยู่ได้หรือเปล่าอยู่ไม่ได้ถึงแม้อยากจะให้คนอื่นอยู่ก็เข้าไปอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบ้านใครบ้านมันถ้าอยากจะมีนิพพานเป็นบ้านก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติถ้าอยากจะมีสวรรค์เป็นบ้านก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอน ถ้าไม่อยากมีอบายเป็นบ้านก็อย่าไปทำบาปอย่าไปทำในสิ่งที่พระเจ้าห้ามไม่ให้ทำขอให้เรามีความเชื่อเพราะว่าตอนนี้เรายังมองไม่เห็นด้วยตาเราตาของเราตอนนี้มันมืดบอดมองไม่เห็นว่าผู้ที่จะไปอยู่ในอบายหรือไปอยู่ในสวรรค์นี้เป็นใคร เราไม่เห็นใจไม่รู้ว่าใจนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปไม่ใช่ร่างกายเวลาร่างกายตายไปร่างกายก็สลายกลับคืนสู่ดินน้ำลงไฟไปแต่ใจไม่ได้สลายไปกับร่างกายใจผู้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี่แหละใจเป็นผู้คิด คิดให้ทำบุญคิดให้ทำบาปแล้วก็สั่งให้ร่างกายไปทำตามคำสั่งของใจเวลาทำเสร็จแล้วผลไม่ได้เกิดที่ร่างกายผลเกิดที่ใจเช่นเวลาทำบุญแล้วใจรู้สึกอย่างไรมีความสุขหรือมีความทุกข์มีความอิ่มอิ่มหรือมีความหิวมีความสบายใจหรือมีความเดือดเนื้อร้อนใจ นี่แหละคือผลที่เกิดขึ้นทันทีทันใดไม่ต้องรอให้ตายไปแล้วถึงจะรับผลผลเกิดขึ้นสองสองะระลอกด้วยกันะระลอกแรกเกิดในขณะที่มีชีวิตอยู่ทำอะไรไปแล้วใจก็จะสุขจะทุกข์ขึ้นมาทันทีและเวลาตายไปนั่นแหละถึงไปรับผ ล, ละระลอกสองถ้าทุกข์ก็ไปอาบาย ถ้าสุขก็ไปสู่สุคติขึ้นอยู่ว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าถ้าฝ่ายสุขมีกำลังมากกว่าฝ่ายสุขก็จะดึงไปสวรรค์ถ้าฝ่ายทุกข์มีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปนรกดึงไปอบายอันนี้เป็นความจริงที่พวกเรายังมองไม่เห็นกันเราจึงต้องเชื่อพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ ผู้ที่เห็นแล้วพอท่านเปิดตาแล้วตาที่ดูเห็นนรกเห็นสวรรค์ตาที่เห็นดวงจิตดวงใจนี้แล้วจึงไม่สงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แต่พวกเรานี้ยังมองไม่เห็นกันพวกเรายังต้องสงสัยกันไปอยู่ต่อไปแต่ความสงสัยนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเรา ความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะเป็นประโยชน์กับเราดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เราคิดว่าเราเป็นเหมือนคนตาบอดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเหมือนคนตาดีเวลาคนตาบอดจะไปไหนมาไหนถ้าไม่มีคนตาดีพาไปจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้ อังใดพวกเราที่ปรารถนาความสุขปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็ต้องเชื่อคนตาดีก็คือต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเชื่อแล้วท่านก็จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปการเชื่อและการเดินตามพระพุทธเจา้านี้ก็คือการปฏิบัติตามคำสอนนี้เอง ท่านสอนให้ละอกุศลทางกายทางวาจาและทางใจเราก็ต้องทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนละเว้นทางกายก็คือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีละเว้นอกุศลทางวาจาก็คือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียละเว้นอกุศลทางใจ ก็คือละเว้นความโลภความโกรธความหลงนี่เองนี่แหละเป็นการดำเนินตามทางที่คนตาดีบอกให้เดินถ้าเราทำเราละอกุศลทั้งสิ ป, ประการนี้ได้เราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆและไปหยุดที่พระนิพพานเป็นจุดสุดท้ายอย่างแน่นอน จึงขอฝ่าเรื่องของการมาวัดในวันธรรมัฏสวรนะในวันพระนี้มาปประพฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่มีความแน่วแน่ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านนำเอาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่าทอดถอยแล้วรับรองได้ว่า ชีวิตของท่านจิตใจของท่านจะมีแต่ความสุขและความเจริญโดยถ่ายเดียวการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุตติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวนาสุขธาละโดยทั่วหน้ากันเธอ